การถึงไตรสรณคมโดยโลกิยะสรณคมนั้นมีอยู่สอย่างด้วยกัน4ลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเรียกว่าอัตตสันนิยาตะนะเป็นการมอบกายถวายตนแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์การถึงไตรสรณคมแบบที่สองเขาเรียกว่าตับปายนตตา ความมีพระตนตรายนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าประเภทที่สามเรียกว่าสิสภาวูปัจขมณะการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์และก็สี่ปณิตาตะการนอบนอบ้อมการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์เมื่อวานเราก็ได้กล่าวถึงการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ของพระมหากัะสปะที่พระมหากัะสปะนั้น นับถือพระผู้มีพระภาคหรือว่าเข้าถึงศาสนาด้วยไตรสารณาคมแบบสิทสภาวูปะคำณนะกว่าเข้าถึงความเป็นสิทธใช่ไหมคามพูดที่ท่านถึงสรารณาคมโดยความเป็นสิทธก็คือว่าเราพบพระศาสดาก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสุคตก็เป็นอันพบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเราพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นอันพบ พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยนะแล้วก็ได้ยกเอาในข้อความในจีวรสูตรคัมภีสั่งยุตินิกายนิทานวัด ม, มาเล่าให้ฟังว่าพระมหากษัตริยนั้นท่านเป็นไปมาอย่างไรท่านจึงได้ถึงไตรสรณคมในลักษณะนั้นและจบจนที่สุดท่านก็บรรลุเป็นพระอระหันต์และก็เป็นผู้ที่เป็นประธานในการทําสังขยาทีนี้ข้อสามเลนะ เพ่งทราบความเป็นผู้มีพระตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเรียกว่าตับปรายนาตาตับปรายนาเนะยาตัวนั้นเนี่ยลบสะอาข้างหลังออกตับปรายนาตับปรายนะเหมือนการถึงสาระของอะะารวาจยักษ์เป็นต้นอะะารวาจยักษ์นั้นเขาถึงสาระคมโดยการกล่าวว่า โซอหังวิจริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสสม mano สัมพุทธังธรรมัะสะจะสุธรรมะตังข้าพเจ้านั้นจากออกจากบ้านไปสู่บ้านออกจากเมืองไปสู่เมืองเที่ยวนมสัส ก, การพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีนะอลวาจยักษ์นั้นก็ถือเป็นยักษ์ท่านหนึ่งในบรรดายักษ์หรือว่าในบรรดาผู้ที่ถึง พระผู้มีพระภาคพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะอันจะได้ยกข้อความในสุตตานิบาตอารวกสูตรคำภีสังยุตตานิยสุตตานิบาตว่าด้วยพระผู้มีพระภาคทรงทรมานอารวกยักษ์ครั้งหนึ่งนี้พระผู้มีพระภาคเดชเสด็จลุกขึ้นในสมัยใกล้รุ่งและพระองค์ก็เข้าพระมหากรุณาสมาบัติ เข้ามาหาการุณาสมาบัติยานว่าโลกสัตว์โลกเช่นสัตว์โลกยกพลแล้วเคลื่อนพลแล้วโลกเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วอย่างเงี้ยอันพระองค์เนี่ยพิจารณาในลักษณะนี้เรียกว่าพระมาหาการุณาสมาบัติอันผู้ที่ต้องการศึกษาว่ามาหาการุณาสมาบัติของพระผู้มีพระภาคนั้นก็มีในคำภีปฏิสัมพิธามักเรียกามาหาการุณาสมาบัติยาน หลังจากที่พระ อ, องค์เข้ามหากรุณาสิสมะบัติในพระคันตุกุตีที่พระเชตวันมหาวิหารก็ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธจักสุกอีกทรงเห็นอุปนิสัยการบรรลุอนาคามีผลของอละวะกุมารคืออละวะกุมาร น, นั้นเป็นกุมารเป็นโอรสของพระราชาและก็การบรรลุเป็นโสดาบันของอละวัจยักษ์ ในเวลาจบเทศนาสูตรนี้สัตว์ 84,000 ี่พันจะได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อราตรีสว่างแล้วพระองค์ก็ทรงทมปูเรพัฒกิจก็คือกิจก่อนอาหารเสร็จแล้วก็ทรงรมปัดชาติกิจยังไม่เสร็จทีนี้เมื่อถึงวันอุโบสถแห่งการละปักคิดว่าอุโบสถการละปักก็คือวันอุโบสถข้างแรมนั่นเองพระองค์ก็เสด็จไปอยู่ ทีนี้พอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระองค์ก็ไปแต่องค์เดียวไม่มีเพื่อนทรงถือบาทและจีวรไปสิ้นทางสามโยตจากกรุงสาวัตถีโดยเสด็จไปด้วยพระบาทนั่นแหลแล้วก็เข้าไปยังที่อยู่ของยักษ์นั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าที่อยู่ของอลวาตยักษ์ถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนโะคนต้นไทรซึ่งเป็นที่อยู่ของอลวาตยักษ์หรืออยู่ในที่อยู่เท่านั้น อยู่ในโคนต้นไทรหรือว่าอยู่ในในบ้านของ阿อ拉กยักษ์กันแน่ตอบว่าอยู่ในที่อยู่ก็คืออยู่ในที่พักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ประทับอยู่โดยประการนั้นพระองค์นี้ก็ทรงไปในที่นั้นประทับยืนอยู่ที่ประตูที่อยู่ในการนั้น阿拉กยักษ์ก็ไปสู่สมาคมแห่งยักษ์ในหิมวันต์ตประเทศคือตอนที่พระองค์ไปประทับนั่งในที่อยู่ใช่ไหมยักษ์นี้เข้าไปธุรไปสมาคมอ่ะไปงงานกินเลี้ยงอ่ะ แต่ยักษ์นั้นเชื่อว่าคัทรพัผู้รักษาประตูของอลวาคยักษ์เขาก็มียามอยู่ด้วยพัทธรยักษ์นี่ก็เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าไหว้แล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาในเวลาวิการหรือวันนี้เป็นเวลากลางคืนนะพระองค์เสด็จมาหรือพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างนั้นพัทรภัเรามาแล้ว ถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักอยู่ในที่อยู่ของอลาวกายักคืนหนึ่งยักษ์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ว่ายักษ์นั้นร้ายกาจคืออลาวกายักเนี่ยเป็นร้ายกาดหยาบคายไม่กระทำกิจมีการอภิวาดเป็นต้นแม้แกมานดาและบิดาขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอย่าชอบพระทัยอยู่ในที่นี้เลยยักษ์เนี่ยหยาบคายขนาดพ่อแม่ยังไม่นับถือเลยอ่ะ พระองค์ตรัสว่าดูก่อนคัทธพะเรารู้ว่ายักษ์นั้นเป็นยักษ์ร้ายกะแต่อันตรายรายๆจักไม่มีแก่เราถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักอยู่คืนหนึ่งคัทรพะยักษ์ได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ครั้งที่สองว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอลววาะยักษ์เนี่ยเป็นเช่นกับกระเบือยย้องเผาไฟย่อมไม่รู้ว่ามารดาบิดาหรือสมณะพรามหรือว่าธรรมะ ย่อมทำความย่อมทการควักดวงใจของพวกคนที่มาในที่นี้ออกทิ้งบ้างฉีกหัวใจบ้างจับเท้าโยนไปที่ฝั่งสมุทรอื่นบ้างในจักรวาลอื่นบ้างอันคนที่มาที่นี่เนี่ยถูกยักษ์ทำร้ายเนี่ยมาเยอะแล้วแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเรารู้คัทธพะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักอยู่คืนหนึง่งแม้ครั้งที่สม คัททรพยักษ์ก็ได้ทูลคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอัละละวักรยักษ์เนี่ยเป็นเช่นกับกระเบื้องเผาไฟย่อมไม่รู้ว่ามาดาบิดาหรือสมณะพรามหรือธรรมะย่อมทำการควักดวงใจของพวกคนที่มาในที่นี้ออกทิ้งบ้างฉีกหัวใจบ้างจับเท้าโยนไปที่สมุดฝั่งสมุดอื่นหรือจักรวาลอื่นบ้างแม้ครั้งที่สามพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าเรารู้ คัทธรพะถ้าท่านไม่หนักใจเราขอพักอยู่คืนหนึ่งยักษ์ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่หนักใจแต่ยักษ์นั้นพึงฆ่าข้าพระองค์ผู้ไม่บอกแก่ตนแล้วอนุญาตใช่ไหมข้าพระองค์ยังไม่กล้าอนุญาตถ้าอนุญาตเนี่ยยักษ์ฆ่าทิ้งแน่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะบอกแก่ยักษ์นั้นเดี๋ยวไปบอกเขาก่อนบอกเจ้าของที่เขาก่อนพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนคัทธรพะท่านจงบอกตามสบายเถิด าาคัทรพาก็ทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่าอย่างนั้นขอพระองค์นั้นแลจงรู้ดังนี้อภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็หลีกไปมุ่งหน้าต่อหิมมวันตตรประเทศแม้ประตูแห่งที่อยู่ก็เปิดเองแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปภายในที่อยู่ประทับนั่งในระนรัตนาบัลลังก์อันเป็นทิพซึ่งเป็นที่อลวัตยักษ์นั่งสเสวยสิริไปถึงกระให้ก็ว่าไปนั่งตำแหน่งเลยนะ ในวันทั้งหลายมีวันมงคลเป็นต้นที่กําหนดแล้วพระองค์ก็ทรงเปล่งแสงรัศมีแห่งทองหญิงทั้งหลายก็คือพวกสนมกํานันของอละวะกกยักษ์เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแล้วก็มาไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้านั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสประกินหน้กะทำมกถาแก่หญิงเหล่านั้นว่านะพระองค์ก็แสดงคำให้กับสนมกํานันของอละวะกกยักษ์ฟังว่าในครั้งก่อนพวกท่านได้ให้ทาน ได้สมาทานศีลบูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงได้สมบัตินี้แม้ได้บัตดนี้ก็จงทำอย่างนั้นแหละอย่าให้ริษยาและความตนีครอบงำแก่กันและกันเลยนะพระองค์ก็แสดงทำให้สนมกำนันของอระกยักฟังนะเพราะว่าส่วนใหญ่เรื่องริษยากับมัจฉริยะเนี่ยะนะาภรรยาคนที่มีภรรยาหลายๆคนเนี่ยภรรยาคน ภรรยาน้อยภรรยาหลวงหรือภรรยาหลายๆคนนี่ส่วนใหญ่จะริษยากับตนี่ซึ่งกันและการห่วงแห็นบางทีก็ทะเลาะเบาแวงกันเรื่อยหญิงเหล่านั้นฟังพระสุรเสียงอันไพเราะของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ให้สาธุการถึงบันครั้งนั่งแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายคัทธพะไปสู่หิ ม, มวันต่ประเทศบอกแก่อลรวะกยักษ์ว่าข้าแต่ท่านผู้นิรทุก เชิญท่านทราบเถิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณวิมานของท่านอตอนนี้มีคนไปนั่งในที่นั่งของท่านแล้วนะอนละวัคยักษ์นั้นก็ได้ทําสัญญาแก่คัทธพะว่าจงนิ่งว่า ง, งั้นเราจักไปทําสิ่งที่ควรทำนะทาไมทำไมำยักษ์เขาจึงบอกว่านิ่งก่อนเงียบๆพูดดังอย่าพูดดังว่า ง, งั้นก็บอกว่าอลวัคยักษ์นั้นละอายแล้วด้วยมานะของบุรุษเพราะ ฉะนั้นจึงห้ามว่าใครๆอย่าใครๆนั่งในท่ามกลางบริษัทอย่าเพิ่งได้ยินคือได้ฟังข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมไปนั่งในที่อยู่ของตนเองแล้วก็มีภรรยาของตัเองนั่งแวดล้อมอ่ะเดี๋ยวคนอย่าพูดดังไปเดี๋ยวอายเขาเงียบๆหน่อยอย่างเงี้ยครั้งนั้นส า, สาตาคิระยักษ์และเหมวัตยักษ์ตกลงกันว่าพวกเราจะไปไว่ายพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระเชตวันแล้วก็จะไปสู่สมาคมแห่งยักษ์ วันนั้นเป็นคืนเดือนมืดใช่ไหมเป็นพจจระจันทร์ข้างแรมอ่ะเป็นวันวันพจจระจันทร์ข้างแรมเป็นวันสิบห้าค่ำด้วยเพราะฉะนั้นเขามีสมาคมยักษ์ที่ป่าหิมวันเพรารยักษ์ทั้งหลายก็จะไปสู่สมาคมไปสู่ที่ประชุมกันในระหว่างนั้นยักษ์สองคนตัวนี้ก็จะไปไหว้พระพุทธเจ้าก่อนค่อยไปสู่สมาคมยักษ์พร้อมกับบริวารก็ไปทางอากาศด้วยยานต่างๆก็ยักษ์ทั้งหลายไม่มีทางในอากาศทั้งปวง มีแต่ทางที่เป็นทางจรดวิมานทองทั้งหลายที่ตั้งบนอากาศส่วนวิมานของอลวกยักษ์นั้นตั้งอยู่บนดินแวดล้อมไปด้วยกำแพงที่รักษาดีแล้วมีประตูป้อมซุ้มประตูที่จัดไว้เป็นอย่างดีในเบื้องบนปกปิดด้วยขายสำริดเป็นเช่นกับหีบสูงสามยน์ทางย่อมมีบนวิมานนั้นยักษ์เหล่านั้นก็ไม่สามารถจะไปเพื่อสู่ประเทศนั้นได้ก็คือไม่สามารถที่จะเหาะข้ามตรงนั้นได้ จริงอยู่ใครๆไม่สามารถเพื่อจะไปโดยส่วนเบื้องบนแห่งโอกาสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพระองค์ประทับเนี่ยไม่มีใครบินผ่านได้งั้นะจนถึงพวกรับพรมยักษ์เหล่านั้นก็นึกว่านี่อะไรกันก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแล้วก็ลงมาดุดก้อนดินที่โยนไปในอากาศไหวแล้วก็ฟังธรรมทำประทับศิลทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพวกข้าพระองค์จะไปสู่สมาคมของยักษ์ แล้วก็สารเสริญวัตถุสามแล้วก็ไปสู่สมาคมของยักษ์อลาวกยักษ์เห็นสาตาคิระยักษ์และเหมมวตยักษ์เหล่านั้นแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงนั่งในที่นี้แล้วก็ถอยให้โอกาสยักษ์ทั้งสองนั้นก็ประกาศแกอลาวกยักษ์นะยักษ์ทั้งสองที่เหาะผ่านก็แวะเข้าไปในบ้านของอลาวกยักษ์เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าดูก่อนอลาวะกะลองกัน การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับอยู่ในที่อยู่ของท่านเป็นลาบของท่านไปเถิดอาวุโสจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้<ร>มีพระภาคเจ้าดังนี้นะมีพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่ที่อยู่ของท่านเหมือนนพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่อยู่นั่นเทียวนั่นแลหาได้ประทับอยู่ในที่โคนต้นไทรซึ่งเป็นที่อยู่ของอลวกกะไม่เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ที่อยู่ของอลร ะ, ะกะยักษ์ใกล้เมืองอลวีลำดับนั้นยักษ์นั้นก็ได้กล่าวคำนี้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงออกไปเถิดสมณะนีอลระวะกะยักษ์เนี่ยก็กลับไปหาพระพุทธเจ้าก็เลยไปบอกไปไล่นะเพราะฉะนั้นบอกจงออกไปเถิดสมณะถามว่าเพราะเหตุไรอลระวะกะยักษ์นี้จึงทูลอย่างนั้นเล่า ข้าพเจ้าจะตอบว่าความที่อรหกยักษ์นั้นประสงค์จะด่าในข้อนี้เพิ่งทราบความสัมพันธ์จำเดิมแต่ต้นอย่างนี้ก็อรหกยักษ์นั้นเพราะศรัทธานกถารมเนี่ยทำได้ยากแก่คนผู้ไม่มีศรัทธาเพราะฉะนั้นเราไปพูดเรื่องศรัทธากับคนที่ไม่มีศรัทธาเนี่ยมันเป็นถ้อยคำที่แสลงหูเป็นคำที่เหมือนกับเอาอะไรไปจิ้มที่หูสักอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมก็เหมือนกับคำพูดที่พูดถึงศีลเนี่ย ถ้าเราไปพูดกับคนไม่มีศีลนะมันก็เหมือนกับเอาเข็มเนี่ยไปจิ้มที่หูอย่างนั้นแหละทําได้ยากแก่คนผู้ทุศีลเป็นต้นเพราะฉะนั้นได้ฟังการสารเสริญของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากยักษ์ทั้งสองเหล่านั้นแล้วยักษ์ตัวนี้เนี่ยฟังยักษ์สองคนเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าใช่ไหมอันลววะวะกัยักษ์เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาพอฟังอย่างนั้นเข้าดวงใจก็เดือดพล่านด้วยความโกรธในภายในเหมือนก้อนเกลือที่ใส่ลงไปในไฟฉะนั้น จึงพูดว่าผู้ที่เข้าไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นน่ะคือใครก็เลยถามยักษ์เหล่านั้นเมื่อกล่าวโดยนายเป็นต้นว่าอาวุโสท่านไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นาศาสดาของพวกเราซึ่งดำรงอยู่ในสุขติดุสิตพบแลว้วตรวจดูมหาวิโลกนะ5อย่างดอกหรือจนถึงพระองค์นี้ก็ทรงประกาศธรรมจักให้เป็นไปกล่าวถึงบุพนิมิต32 น, นะก็ได้เล่าความเป็นไปของเล่าพระพุทธ ประวัติให้กับอาวะกายักษ์ฟังโดยย่อทีนี้ขณะที่เล่าประวัติไปเรื่อยๆนี่อาวะกายักษ์นั้นก็โกรธลุกขึ้นโกรธนะักกะเกาอีกนะแกเนี่ยเป็นคนโทสะจริตมากโกรธนะด้วยเท้าเนี่ยเบื้องสายเหยียบบนภูเขาไกรลาศประมาณ60โยตเท้าเบื้องขวาก็กล่าวว่าบัตรนี้จงดูศาสดาของท่านผู้มีอนุภาพมากหรือเราเป็นผู้มีอนุภาพมากกันแน่ ยิ่งชมพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่อละวะกะยักษ์ก็อยากจะลองดูเท่านั้นแหะเก่งแค่ไหนเหมือนกันยอดผู้เขาไกลร า, าดนั้นก็ปล่อยสะเก็ดตกลงมาเหมือก้อนเหล็กซึ่งถูกทุบด้วยแค่งเหล็กกระจายออกมาฉะนั้นอละวรกะยักษ์นั้นก็ยืนอยู่ที่นั้นประกาศกล้องว่าฉันคืออละวะกะเหมือนันเสียงก็ก้องแผ่ไปทั่วชมพูทวีป <c oughs> แล้วก็อละวรกะยักษ์นั้นก็ไปสแสดงฤทธิ์ต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนกับ เหมือนกับพยามานะนะพยามานเนี่ยในวันที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ใช่ไหมพยามานก็ไปลองด้วยอาการต่างๆอลาวกายักนี้ก็เหมือนกันก็ไปลองไปทรมานกับไปเรียกว่าทำศึกกับพระผู้มีพระภาคอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้เมื่อไม่อาจจะให้พระผู้มีพระภาคหนีไปได้ด้วยลมฝนเป็นต้นก็ใช้วิธีการต่างๆแล้วก็ไม่สา ม, มารถที่จะไล่พระผู้มีพระภาคเจ้าออกไปได้ ทีนี้ข้อความในพระสูตรนะเมื่อกี้นี้ก็เป็นข้อความที่เล่าท้าเรื่องให้ฟังก่อนที่พระสูตรที่แจกไปเมื่อกี้นี้ก็คือสูตรเดียวกันนะว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่อยู่ของอลาวกยักษ์ใกล้เมืองอลวีคือที่เล่าไปเมื่อกี้ครั้งนั้นแลอลวะกยักษ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงออกไปเถิดสมณะอย่าลืมนะตรงนี้เข้าแปลด้วยคนแปลเนี่ยมีศรัทธาแต่ที่จริง อันละวะกยักไม่ได้พูดแบบแบบคนดีๆนะคือพูดด้วยความกโกรธอะ่ะออกไปเถิดสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าดีละท่านแล้วก็เสด็จออกไปออกไปปุตตะเจ้าก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินออกไปอันละวะกยักก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกว่าจงเข้ามาเถิดสมณะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดีละท่านแล้วก็เสด็จเข้าไปพุตตเจ้านี่ก็ว่าง่ายเหมนกันนะแม้ครั้งที่สองอกีก จงออกไปเถิดสมณะเอ อ, เ อ, อดีแล้วท่านแล้วพระองค์ก็ออกไปเข้ามาออพระองค์อองก็เข้ามานะแม้ครั้งที่สามเมฆครั้งที่สี่อะหกายักษ์ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงออกไปเถิดสมณะพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูก่อนท่านเราจะไม่ออกไปละท่านจงกระทํากิจที่ท่านจับพึงกระทําเถิดสั่งให้ออกสมครั้งนี้ก็ออกครั้งที่สี่ไม่ออกนั่นแหละทีนี้ ซึ่งอธิบายว่าเพราะท่านอันข้าพเจ้าไม่ได้อนุญาตแล้วก็เข้ามาสู่ที่อยู่ของข้าพเจ้าแล้วก็นั่งในท่ามกลางเรือนหญิงของข้าพเจ้าเป็นเหมือนกับเจ้าของเรือนการบริโภคสิ่งที่ไม่ได้ให้และการคลุกเคลียกับหญิงไม่สมควรแก่สมมณะไม่ใช่หรือในหาเรื่องละเพราะฉะนั้นถ้าท่านตั้งอยู่ในส ม, มณะธรรมก็จงออกไปเถิดส ม, มณะนะนะ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าอลวะกยักษ์นี่เป็นผู้แข็งกระด้างตรงนี้ทถาทายท่านอธิบายว่าอลวัจยักษ์นี้แข็งกระด้างอันใครๆนี่ไม่สามารถเพื่อจะแนะนําด้วยความแข็งกระด้างได้คนแข็งๆนี่ไม่ใช่ว่าแข็งมาแข็งไปแล้วจะได้ผลนะก็อลวะกยักษ์นั้นเมื่อบุคคลทําความแข็งกระด้างอยู่เขาก็จะเพึงดุร้ายยิ่งประมาณจะเป็นผู้แข็งกระด้างมากขึ้นยิ่งแข็งมันก็จะแข็งไปเรื่อยดุด ทำลายน้ำดีที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุร้ายฉะนั้นแต่ก็เพื่อจะแนะนําเขาด้วยคําอ่อนโยนได้จึงทรงรับคําของอรหกยักษ์นั้นด้วยคําน่ารักว่าดีละท่านดังนี้แล้วพระองค์ก็เสด็จออกไปอด้วยพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์แต่นั้นอรหกยักษ์ก็เป็นผู้มีจิตอ่อนว่าเออสมณะนี้ว่าง่ายเนอยงั้นเออดีไว้ว่าง่ายก็เลยออกไปด้วยคําพูดคําเดียวเท่านั้นการออกไปอย่างนี้เป็นสุข เราต่อยุติกับส ม, มณะตลอดคืนด้วยเหตุอันไม่สมควรทีเดียวนะอุสาวะทาร้ายทั้งคืนไม่มีผลแม้เข้ามาสั่งให้ออกไปคําเดียวท่านก็ออกไม่ว่าง่ายจริงๆเลยเหมือนกันก็แล้คิดอีกว่าเออก็บัตรนี้เราอาจเพื่อชนะได้ส ม, มณะออกไปเพราะความเป็นผู้ว่าง่ายหรือหนอแลหรือเพราะความโกรธเอาเถอะเราจะทดลองส ม, มณะอีกแต่นั้นก็กล่าวว่าจงเข้ามาเถอดส ม, มณะครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตัดสําอันน่ารักแม้อีก เพื่อจะกระทำจิตที่อ่อนให้มั่นคงเป็นผู้ว่างง่ายจึงตรัสว่าดีละท่านแล้วก็เข้าไปนะสั่งให้เข้าก็เข้า น, นะมีคนคนเดียวเท่านั้นแหละสั่งพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> คืออารวากยักษ์อารวากยักษ์นั้นเมื่อจะทดลองความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ว่างง่ายนั้นบ่อยๆจงบอกว่าออกไปเถิดจงเข้ามาเถิดแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้านี้กระทาอย่างนั้น ถ้าหากว่าพระองค์ไม่กระทำอย่างนั้นอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่ก็แข็งทื่อเลยไม่ทำตามเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นก็บอกว่าจิตของยักษ์นี้แข็งกระด้างแม้โดยปกติปกติจิตของเขาหยาบมากก็จะแข็งกระด้างมากขึ้นก็ไม่พึงเป็นภาชนะเพื่อจะรองรับธรรมกถาเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงกระทาสิ่งที่ยักษ์นั้นได้พูดอันก็เรียกว่าไม่ชวนทะเลาะกัน เพื่อจะให้ยักษ์นั้นร้องให้อยู่ด้วยการร้องให้คือกิเลสยอมรับ <c oughs> บอกว่า <c oughs> การทำอะไรด้วยกิเลสยอมรับเนี่ยธรรมวินัยนี้เรียกว่าเป็นการร้องให้บางันเหมือนมารดาให้หรือทำทิ้งสิ่งที่บุตรต้องการเพื่อให้บุตรนั้นเป็นผู้ร้องให้อยู่ยอมรับฉะนั้นเหมือนอย่างว่านางนมให้สิ่งบางอย่างแก่ทารกผู้ไม่ดื่มนมปลอบโยนแล้วย่อมให้ดื่มได้ฉั้นใด พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ฉะนั้นเหมือนกันทรงพูดปลอบโยนด้วยถ้อยคําที่ยักปรารถนาเพื่อให้ยักได้ดื่มน้ํานมคือโลปุตระธรรมจึงได้ตรัสอย่างนี้เหมือนอย่างบุรุษต้องการที่จะให้รสหวานสี่อย่างเต็มในน้ำ เ, เต็มในน้ําเต้าน้ําจึงให้ชําระภายในน้ําเต้าน้ํานั้นให้สะอาดชันใดพระผู้มีพระภาคาก็ฉะนั้นเหมือนกันทรงประสงค์จะแสดง ทรงจะยังน้ําหวานทั้งสี่อย่างคือโลกุตระธรรมให้เต็มในจิตของยักษ์จึงได้ทรงกระทําการเสด็จออกไปและเข้ามาถึงสามครั้งเพื่อจะชําระมนทินคือความโกรธภายในแห่งยักษ์นั้นพระองค์เนี่ยฉลาดนะว่ารู้จักว่าจิตขณะไหนเนี่ยเขาอ่อนจิตขณะไหนแข็งกระด้างขณะไหนควรพูดขณะไหนควรทํำยังไงพระองค์เนี่ยรู้ ครั้งนั้นอลวะกะยักษ์นี้ก็ยังจิตชั่วให้เกิดขึ้นว่าเออสัมมนี้เป็นผู้ว่างง่ายถูกเราพูดว่าออกไปเถิดก็ออกไปถูกเราพูดว่าเข้ามาเถิดก็เข้ามาฉะนั้นเนาะเราจะยังสมมนานี้ให้ลำบากอย่าตลอดคืนอย่างนี้นั่นแหละเดี๋ยวให้ทรมานให้เข็ดนะพูดให้เข้าให้ออกทั้งคืนนี่แหละแล้วก็จะจับเท้าทั้งสองเนี่ยคว้างไปฝั่งโน้นของแม่น้ําคงคาอย่างนี้แล้วก็กล่าวครั้งที่สีว่าจงออกไปเถิดสมมนนั่นแหละ พระ อ, องค์นี้ก็ทรงทราบว่าเมื่อเรากล่าวอย่างนี้ยักษ์แสวงหาสิ่งที่ควรทําให้ยิ่งกว่าจาักสําคัญปัญหาแล้วก็จะพึงถามเราเพราะฉะนั้นข้อความในคัมภีร์ก็กล่าวต่อไปว่าอาลรวะกากยะกษ น, นะที่บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ออกไปละท่านจงกระทํากิจที่ท่านจงกระทําเถอะยักษ์ก็บอกว่าดูก่อนสมณะข้าพระเจ้าจะถามปัญหาท่านถ้าท่านจักไม่พยากรแก่ข้าพระเจ้าไซ ข้าพเจ้าจับควักดวงจิตของท่านโยนทิ้งฉีกหัวใจของท่านหรือจับจับที่เท้าทั้งสองของท่านแล้วก็คว้างไปที่แม่น้าําคงคานะยักษ์นี้แสดงว่าเตรียมหาเรื่องเด็มที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเรายังไม่มองเห็นบุคคลที่จะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้งจะพึงฉีกหัวใจของเราหรือจะพึงจับที่เท้าทั้งสองแล้วคว้างไปที่ฝั่งแม่น้ําคงคาได้ ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์ดูก่อนท่านก็แหละท่านหวังจะถามปัญหาก็จงถามเถิดพระ อ, องค์บอกว่าที่จะตอบปัญหานี่ไม่ได้ตอบเพราะกลัวนะคืออละวะรวาจักที่เขากล่าวอย่างนี้เนี่ยเพราะเขาเนี่ยเคยฉีกหัวใจของสมณะพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์เนี่ยมาเยอะแล้วเขาถามปัญหาเสร็จแล้วสมณะพราหมตอบไม่ได้จิต ป, ปั่นป่วนเขาแสดงรูปที่น่ากลัวเสร็จแล้วก็ฉีกหัวใจให้เป็นต้นทําให้ ผู้มีฤทธิ์เนี่ยบ้าไปเยอะแล้วนั้นคนมีฤทธิ์นั้นถ้าเล่นกับอนมนุษย์จริงๆนั้นถ้าหากว่าไม่แข็งจริงๆนั้นส่วนใหญ่อนมนุษย์ชนะอันด้วยเวทมนต์คาถานี้ไม่ใช่ว่าจะสู้กับอนมนุษย์ได้ลำดับนั้นอลรวากะยักษ์ก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาว่าอะไรเล่าเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้อะไรเล่า ที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้